ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟัง mp 3แผ่นที่95โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานี mp 3แผ่นที่95ให้คติธรรมหัวข้อว่ากาตุงมนต์เสนตถามนตสา มนุษย์ทั้งหลายไม่อาจทำให้เหมือนกันได้คือคนเกิดมาในโลกแต่รูปร่างกลางตัวก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่จิตใจไม่ต้องพูดถึงในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าทาว่น า, นานานาจิตตังน า, นานาทัศนะความคิดความเห็นไม่เหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามถึงจะไม่เหมือนกัน แต่ก็าพยายามโน้มน้าวให้มาไปในแถวเดียวกันเหมือนกับพวกเราเกิดมาทุกคนเกิดมาก็มีแนวความคิดของตนเองแต่พวกเราทุกๆ ท, ท่านก็ให้มาเรียนหนังสือกอไกเหมือนกัน เ, เรียนหนังสือเหมือนกันในเมื่อมาเรียนหนังสือเหมือนกันก็จะเข้าใจไปในแนวแถวเดียวกันใช้ภาษาอันเดียวกัน อ, อันนี้ก็ จะเกิดประโยชน์ในระดับหนึ่งแต่ที่จะให้มันเสมอการทุกอย่างหรือว่ามีแนวความคิดเแปบบ็เป็นแบบเดียวกันทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการอยู่ด้วยกันทั้งสามีภรรยาพ่อแม่ปูย่ย่าตายายญาติมิสหายผู้ใดก็ตามเราในเมื่อไม่ได้อย่า ง, างใจเราเราก็ควรคิดว่าแนวความคิดนาน า, นาจิตตังนาน า, นาทัศนะแต่ถึงยังไง เราก็พยายามทําใจของเรานะ่ยถ้าทําใจคนอื่นไม่ได้เราก็พยายามทําใจของเราจะมีการทะเลาะเบาะแวงกันเอาแต่ใจตัวเองหัวชนฝาอย่างเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องเราก็ต้องยืดหยุ่นการอยู่ด้วยกันด้วยอํานาจคุณพระศรีรัตนตรยัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุ้มครองพวกเรา ขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนด้วยเทิน